วิริเยนะทุกขมะเจติบุคคล จะร่วงพ้นทุก์ได้เพราะความเพียรพุทธวัจนะมีหลายท่านที่ได้มาพบปะพูดคุยกับผมมักจะถามคำถามหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติมักจะได้ยินคําถามว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้สติที่มีขึ้นในตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องกันนานๆบ่อยๆหลายๆครั้งให้มีอยู่ประจําจิตประจําใจของเราเลยเพราะตอนนี้เนี่เวลาเราปฏิบัติในรูปแบบในการเจริญสติต่างๆ ในหลายที่ที่เราได้เข้าสู่การปฏิบัติสติจะดีแต่เวลาออกมาจากสถานที่ปฏิบัตินั้นๆแล้วสติไม่ค่อยเกิดมักจะมีความหลงเกิดขึ้นเสมอๆบางทีก็มานั่งเจ็บใจเสียใจว่าทำไมเราปฏิบัติมามากแล้วทำไมจึงสติไม่ค่อยเกิดจะทำอย่างไรอันนี้ได้ยินเป็นคำถามบ่อยๆแต่เรื่องทาให้สติเกิดเนี่ยที่จริงมันต้องมีองค์ประกอบลหลายอย่าง ที่จะเกื้อกูลหรือสนับสนุนให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเหตุปัจจัยแรกก็คือเราต้องหมั่นฟังธรรมะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยทำให้เราเกิดสติได้ในขณะที่เรากําลังฟังอย่างตอนเนี้ยญาติธรรมกาลังฟังธรรมะอยู่เชื่อว่าสติจะเกิดมากกว่าความหลงมีสมาธิในการฟัง การอ่านหนังสือธรรมะอันนี้ก็ช่วยทำให้สติเกิดได้เพราะตัวกลางที่เราอ่านหนังสือธรรมะก็ต้องมีสติมีสมาธิร่วมอยู่ด้วยสติระลึกได้สมาธิคือจับสิ่งที่เราระลึกได้เอาไว้อยู่ในจิตในใจของเราหรือบางทีการพูดคุยสนทนาธรรมการพูดคุยโต้อตอบกันเนี่ยก็ช่วยทำให้สติมันเกิดได้เหมือนกันนะถ้าคุยเรื่องธรรมะเนี่ย อาจจะมีการฟุ้งใบบ้างแต่ก็สามารถกลับมามีสติได้นี่เราช่วยได้การได้ยินได้ฟังการอ่านหนังสือธรรมะการพูดคุยธรรมะด้วยการนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อธรรมเนอันนี้ก็สลับสนุนให้สติเกิดบางทีเราอาจจะฝึกถือศีลศีลห้าศีลแปดศีลเนี่ยทำให้สติเกิดขึ้นเพราะว่า สติเนะี่ยคือผู้ที่รักษาศีล น, นะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็ศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ครบเราจะมีการสำรวมระวังกรัวจะผิดศีลอะไรเนี่ยผู้ที่สำรวมระวังเนี่ยก็คือสตินั่นเองสวดมนต์นก็ช่ชยดทำให้สติเกิดขึ้นได้การแผ่เมตตาหรือการทำจิตให้ว่างๆสงบสงบอันนี้คือส่วนที่ช่วยทาให้สติเกิดหรือบางทีเราอาจจะ กับกรัลรยาณมิตรอย่างเช่นผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีคุณธรรมบุคคลเหล่านี้ช่วยทำให้สติเราเกิดได้เราจะสังเกตว่าเวลาเราเจอพระสงค์ใจเราเป็นยางไงเราจะเกิดการสารวมระวังยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยนี่ถ้าเจอประสงค์เมื่อไหร่ล้วก็จิตมันจะน้อไปสู่ความสงบไปสู่ความรู้สึกตัวทันที กัลยาณมิตคือมิตรที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมมีความรู้เรื่องธรรมะครูบาอาจารย์ของเราเราเข้าใกล้แล้วก็เกิดสติได้แต่เราไปคบกับบุคคลที่ไม่สนใจกับธรรมะมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านคุยแต่เรื่องสิ่งที่ไร้สาระ่งไงใจเราก็กระจัดกระจายไปตามคนที่เขาไม่สนใจธรรมะแบบนั้นสติไม่เกิดบางครั้งเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไร้สาระเส่ไบ้าง จะสังเกต ด, ดูแต่ละวันเนี่ยมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราไปสนใจแล้วทําให้สติเราหายไปเป็นโจนปล้นสติเราไปเลยเพราะฉนั้นสิ่งที่ไร้าสาระที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์ไม่เกี่ยวกวนกับทําให้จิตใจเราพัฒนาเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงซะได้บ้างเนี่ยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เป็นไรนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ให้มีสติรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คือไร้สาระแนละ้วเสียเวลาชีวิต น, อน้อยจะดีกว่าที่จะไปทำแบบนั้นอะไรเงี้นะการนึกคิดพิจารณาแบบเนี้ยก็ทำให้สติเกิดได้สําคัญนะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไร้สาระทำสิ่งที่เป็นสาระอีกประการหนึ่งที่ช่วยทำให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆในแต่ละวันเนี่ก็คือการเห็นประโยชน์ของการมีสติเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในสิ่งไรก็ตามสิ่งนั้น มักจะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยเห็นประโยชน์ของการมีสติถ้าเรามีสติแล้วสติจะช่วยทำให้เราไม่หลงลืมตัวเองไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมถ้ามีสติแล้วจะไม่ลืมทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดจะเริ่มรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ง่ายหช่ไหะสติทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะเมื่อมีสติแล้วทำให้เกิดปัญญามองเห็นประโยชน์ละหรืออย่างน้อย ก่อนที่เราจะดับจิตจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าถ้าเรามีสติในตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นศึกชิงพบลใช่ไนะถ้ามีสติแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดสุคติถามว่าสติดีๆเข้าถึงตัวิปัสสนาญาณอาจจะพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็ได้เนี่ยคือประโยชน์การมีสตินึกถึงประโยชน์ของการมีสติบ่อยๆสติก็จะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้าม เราควรจะมองว่าทุกโทษของการขาดสติจะเป็นอย่างไรเรามองในแง่ของทุกของโทษการขาดสติเนี่ยเราก็จะไม่อยากเป็นคนที่ขาดสติเหมือนอย่าง ก, กับเราเห็นทุกเหงโทษของบุรีของสุลาเราก็ไม่อยากจะไปเสพไม่อยากจะไปสุขเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นโทษการขาดสติแล้วก็เช่น ว, ว่าคนที่ขาดสติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ นึกจะพูดก็พูดนึกจะทําก็ทำอันเนี้ยขาดสติเพราะไม่รู้จักกาละเทสะจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมทําอะไรปิดพลาดบ่อยๆเนี่ยเพราะความขาดสติคนที่มัวเมาประมาทขาดสติเนี่ยมักจะประสบุบัติเหตุจะมาเสียใจภายหลังเราไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยเราก็เคยเป็นใช่ไหมอย่างนั้นมองเห็นโทษมันบ่อยๆเราจะได้เป็นคนที่ไม่ขาดสติที่สําคัญก็คือจิตขณะที่จะดับ ในครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยประสบการณ์ครั้งสุดท้ายของชีวิตคือเราจะต้องตายขนาดนั้นถ้าเราขาดสติเราต้องตกอบายภูมินะเราจะเลือกที่เกิดไม่ได้เลยต้องลงอบายภูมิอย่างเดียวเลยมองให้เห็นทุกข์เหนโทษของการขาดสติเราจะได้เป็นคนที่มีสติบ่อยๆอายชั่วกลัวบาปมองให้เห็นประโยชน์ของสติแล้วก็มองเห็นทุกข์เหโทษของการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆ หนึ่งเหน็นไหประการสุดท้ายข้อที่ถือวเป็นข้อดีสาคัญที่สุดของการทำให้สติเกิดขึ้นคือการฝึกทำบ่อยๆหนึ่งๆฝึกจะละสติอยู่เสมอๆนึกขึ้นได้ก็ให้มีสติรู้ตัวทันทีเลยว่าเรากาลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยสาคัญทำบ่อยๆให้มันเกิดความเคยชินนะความเคยชินเนี่ย ทำให้เกิดการเป็นเองโดยอัตโนมัติเราเคยจิดที่จะมีสติบ่อยๆต่อไปไม่ต้องไปคิดเป็นึกไม่ต้องไปเรียกหาสติก็เกิดขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัติจิตของเราเนี่ยจะจำสภาวะได้ว่าสภาวะไหนนี่มันมีสติถ้าจิตจำสภาวะได้ล้าก็สบายแล้วรับตาก็ปฏิบัติได้ลืมตาก็ปฏิบัติได้ ถ้าเราปฏิบัติอยู่บ่อยๆเนืองๆแล้วก็ไม่ไม่อาจจะไม่ค่อยเกิดสติแต่ทําบ่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมสะสมนะมันบวมก็้วยนะเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ได้ที่พอสะสมสติบ่อยๆแล้วสติก็ได้ที่ก็เต็มจิตเต็มใจเพราะฉะนั้นการฝึกบ่อยๆเนืองๆนี่แหละจิตเขาจะจําได้ว่าสภาพสติเป็นอย่างไรอย่างที่พุทธภาษีกล่าวไว้ว่าภาวิตาพระอุลิกตา ทำบ่อยๆทำเนืองเราก็ชำนาญไปเองสมดังที่ยกเป็นพุทธภาษิตในเบื้องต้นได้ว่าวิริเยนะทุกขะเจ ต, ติบุคคลเนี่ยจะล่วงพ้นทุกได้ก็เพราะความเพียร